บุ๊กทูเจ็ดสิบหกเศษผลบางประการสองนิสโต้เปย о ส์นัวอบราซ์ลูจูวาสอง ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ Zost ne dojdě. z o ผมไม่สบายครับ b e f bulen. ผมไม่ได้มาเพราะไม่สบายครับ Yas ne dojdov bidejí beef b u l ทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับเธอเหนื่อยครับเธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยครับ บิดยีบเชอูมอร์นาทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับตเขาไม่มีอารมณ์ครับเขาไมา่มได้ <c oughs> ามาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับ Де, де, ทําไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับรถของเราเสียครับรถของเราเสียครับ Нашиот а в т о м о б ต л е р а ติลเอรเราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับนี่เนตโดยดอฟเมบิดีกินน่าเชื่อถืออัตโนมอติลเอรัสิปันนี่เนตโดยดอฟเมบิดีกิ т о ่าเชื่อถืทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับ z o š з ู ш т о луѓето не д, д о ј д ด а พวกเขาพลาดรถไฟครับทีเอกูพรุพุชติอาวู้ซ т ทีเอกูพรุพุชติอาวู้พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับทีเอเนทีเอเนโดยโด้บิดเอคิ ทำไมคุณถึงไม่มาครับมมผมไม่ได้รับอนุญาต yes ผมไม่ไมาเพราะไม่ได้รับอนุญาต yes neđođe m e Music